กธรรมต่อหลังจากสาธยายพระสูตรในตามสอนพระเจ้า <c oughs> เป็นภาษาบาลีแอนภาษาไทยด้วยภาดาไทยด้วยพรหัตถ์ไหวพรหัตพระพุทธเจ้า เอาชนะมารใหญ่เพื่อต่อมาก็มาสุดท้ายด้วยเฉยยะมงคลคาถาการชชยชนะกองชั่วต้องหลอยสาเร็จเช่นชนะองค์เรมานชนะชาญนาลายชิลิงชนะิก ใ่คันธ์จํจไม่ได้ชนะนางกินจะมานนกาชนะมารทั้งหลายเพื่อเป็นมงคลแก่ชาวพุทธทั่วโลกที่ไหนก็สวดขถ่ายยายระสวดนี้กันในวันธรรมจวณะวันนี้ก็เป็นวันธรรมจวนะ ขด้าเดือน11ไปมาสมเดือนที่ทำไม่ไหนอนุญาตให้พระสง์ได้พระสง์ไม่ชี้ญาติโยมบาสุกบาจิกาได้อธิษฐานก็วันษาไตามาสามเดือนก็ผ่านมาถึงวันนี้ ด้วยความเรียบร้อยเหมือนพวกเราลงเรือลําเดียวกันไอทําว้นายหลายหลายชีวิตมาลงเรือลําเดียวกันข้ามฝั่งข้ามภาขนส่งบางทีก็อดทนอด้นบางทีก็มีเท่าลาน้ําบางทีก็ช่วยกันทาย การใช่ชีวิตของพวกเราหวหมืนลงเรือน้าเจอขึ้นก็ก็เอาเอาตัวให้รอดกานพายเรือที่หางเสือเรือจึงไปถึงจุดหมายปลายทาง ติดเป็นนายกลายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาก็พายไปกายมันเดินจายมัใจมันก็เรือบางเจอก็จือขึ้นเียบคข้ได้ป่วยเจอเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาเหมือนคลื่นของชีวิต มีสติกาหนดลู้โดยกรรมฐานเรียกว่าทายเรือสติเป็นหนังเสือมันหลงก็ลู้มาฉุกวุนทุกก็ลู้หอมเสือเป็นอย่างนั้นถ้าเคลืนมาทางทิศตะวันออกต้องย่อนหนังเสือไปด้านที่ตะวันตกยันหนังเสือข้ามไปทางที่ ต, ตกก็้ามันขวง พื้นก็ไม่ช้าบางทีก็ต้องหันหน้าสู้กับพื้นเหลือก็ไม่ล่มนือจากยับจ้างช่างกิตไม่รีบไม่ร้อนบางทีก็ไม่ต้องวิ่งเพียงแต่ยันนะ้งเสียไว้เคยลงเรือข้าม ้็เลอไปเกาะสาหลายไปเจอคลื่นโดดถึงสูงเป็นหลายเม็ดเรือมากระทบคลื่นเรือลำเล็กขับน้ำไม่ไหวถ้าเรือลำใหญ่ก็ขับน้ำได้เดี๋ยวนี้กำลังกงอุตุประกาศให้ชาวเรือเข้าฝั่ง แต่เลือลำเล็กต้องเข้าฝั่งเรือลำใหญ่เแคนเหลือข้ามหาสมุทรก็ไม่เป็นลายกับเพื่นแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับเรือถ้ลลาลำใหญ่ก็มหาสติไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาสิเหทางเทึบไม่เจืเทือนเพาลมผู้มีสติปัญญา ไม่หวนไหวเพราะนินทาเสรินนี่หมายถึงเรือลำใหญ่มาขับขคลื่นได้ก็อ่อนแอเปาะบางเป็นโศกโศกก็เป็นโศกเปาะบางทุกก็เป็นทุกขเปาะบางโกรธก็เป็นความโกรธเสียใจเสียใจไปตาม เพนเนได้ว่าเปาะบางไม่แข็งแรงดูเอาขอบเอาก็อ่ะอย่างนี้มันเป็นตัวของใครของมันถ้าอย่างเหมือนเลือนเรือก็อไม่ใช่เป็นตัวใครตัวเราสกุนต้นแดงตามพระพเจ้าทรงสอน เมื่อมันหลงก็รู้อะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสติเปนหางเสือให้เป็นคนละทางไปเลยมันเป็นสองทางในโลกนี้อารมณ์ของคนเรามีสองทางคือบวกกับลบนันกส็สูตรสูตรคณิตศาสตร์ชีวิตก็เหมือนกัน เราบวกก็ยินดีถ้าลบก็ยินลย้ลยดีใจเสียใจสุกทุกเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านสองขึ้นนี้ต้องไปตรงกลางมีสติสามัญญามันก็เจอคนละว า, ละาระวละต่างกันในเชิงเดียวกันบางที หลงบางทีก็กรู้อันนี้ก็พอใจบางทีไม่พอใจมันมีอะไรหลายอย่างเหตุปัจจัยมีสมมุติปัญญาตในความหลงในอุปะทานในการให้โอกาสก็เป็นไปได้ <c oughs> ตอนไววไปตามอาการต่างๆให้โอกาสให้สู้ สู้มากก็เหมือนกับต้นไสกับต้นอ้อต้นไสใหญ่ๆหญ่แต่สู้หลมเกินไปสู้หลงไม่ไหวก็ล้มลงบางทีขึ้นต่างๆที่มากระทบชีวิตของเราเนี่ยเช่นกลุ่มคนพานเราอยู่ในกลุ่มคนพานเราผู้เหมีนผู้มีศีล เราต้องรู้จักเอาตัวรอดมีปัญญาไม่ใช่ตกโป่งแรงเป็น แ, แรงตกโมกาเป็นกาเราต้องรู้จักหลกถ้าไม่รู้จักหลบก็โคนล้มได้ดูวความเก่งในคุมคนันพานไม่ได้อาจจะตายไปเหมือนท่อนชายแส็เก้าเกิวไปไม่รู้จัก อ่อนไปตามลมบ้างไม่ใช่ไปเยินหยัดต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีนอกตัวในตัวขอดินทาเราเหมั้นกับเพื่นแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรา เราทำให้เราเสียใจเป็นเรื่องคนอื่นเขาทำใหเราดีใจเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราอันดีใจเสียใจเป็นเรื่องส่วนตัวเราเองแต่นี้หรือว่ายอมรับก็ามาหาตัวเองมองตนเข้ามาเหมือนต้นอ้อต้นอ้อมันโอนเข้ามาถ้าเขาเินทาว่าร้ายโอนมามองเรา การหลบก็ว่าไม่เป็นลายทำนายใจเอาเสอนเสรเขดินทาไม่เป็นลายรียว่าอ่อนโจนไม่ใช่อ่อนแอถ้าไม่เป็นไรละ่ะกูขึ้นมาก็แข็งข้าวก็เจ็บปวดเพราะการแข็งข้าวเสียแต่เอานาตอต้นใจคุยกันต้อนาย หลไปตามน้ําไปเกยฝั่งไปถึงป่าอ้อต้นชายก็ถามต้นอ้อว่าท่านอยู่ไงเมื่อคืนนี่อายุแรงทําไมท่านอยู่ได้เราขนาดใหญ่นี่กรยันด น, นี่ยังอยู่ไม่ได้อ่นตวกเจ้าต้นเด็กเท่าเด้ยวมือเนี่ยทําไมอยู่ได้ท่านอ้อก็พ่นในฝั่ ง, งสอนต้นชายจ้ะตอนชายก็ผิดไปเสร็จแล้ว ก็เลยจะแก้ก็แก้ไม่ได้แล้วเพราะนั่นเราจึงต้องประสบการ์ต่างก็ถูกลมเหมือนกันท้อนอ้ ก, ก็ถูกลมทน้นใสก็ถูกลมในวันเดียวกันเวลาเดียวกันเหมือ น, นกับคิดของคนเรามก็บเราไตมาสามเดือนก็ถูกอะไรต่างๆก็บางทีก็ ถ้ามันเรียกมาได้ก็ไม่เป็นลายเจ็บปวดก็ไม่เป็นลายหนีวบ้างไม่เป็นลายอะไรต่างๆไม่เป็นลายไ้ก่อนอ่อนโยนอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแออ่อนเพื่อแข็งอ่อนโยนเพื่อเพื่อสู้ไม่ใช่อ่อนแอเพื่อแพ้รือของเราเพราะต้องในความดเฉลียวฉลาด กับเกี่ยวกับโลกของเขาเอาโลกมันเป็นสมบัติมีรสชาติเราก็เป็นสัตว์โลกประเภทนางที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่เราคนเดียวเมื่อมีการผ่านมาผ่านไปเกิดจากตัวเองเกิดจากคนอื่นก็อย่าให้มีร่องไม่อยแล้วก็แล้วไป ไม่ใช่ไปเอาผิดเอาถูกสับจึงเกินวัตถุอื่นที่ถูกให้เป็นเรื่องของเราว่าจะเราหลุดออกมาจากความที่ผิดหลุดออกมาจากความที่ถูกเหนือสุขเหนอทุกได้อันนี้เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตตาเห็นรูปปากว่าเห็นประสบการณ์ สักว่าเห็นเนี่ยมันแจก้ามูวดินเสียงสักแต่ว่าได้เย็นอันก็แจก้าถ้าพอใจไม่พอใจอิอนทรียตัวนี้ก็อ่อนเหมือนเถาวันยอดหน้ยอดผักุกเด็ดอยู่เลยยอดก็อ่อนอยู่เรื่อยไม่แจก้าอินทรียของเราก็เหมือนกัน มันแก่ก้าเพอมันอ่อนโยนมันไม่ใช่แก่ก้าเพอเข้มแข็งสู้มันไม่ใช่จะเห็นด้านแต่ว่าจนจนจนว่ากิเลสเนี่ยเหมือนหมาส ต, ติเหมือนช่างไปเลยที่วอนธรรมเหมือนแมลง แต่ดิดวันนุกเฉยไปเลยเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วเคยรู้มาแล้วทําไมจะไม่รู้เห็นบ่บอยๆความหลงเห็นแล้วความสุขความทุกข์ก็รู้แล้วเป็นรถเช่นนี้นี่เราไปเห็นบ่บอยๆผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านความยินดียินไายกับรถของโลกมา แก่ก้าแก่ก้าแบบนี้มันเป็นมกผลนิพพานไม่ใช่แก่ก้าเหมือนต้นไม้ต้นไม้มีโอกาสแก่เท่าแต่ว่าความแก่้าของอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นนิพพานมันอาศัยได้เมื่อการเกิดแ เ, เจ็บตายเมือการเกิดแ เ, เจ็บตาย ตั้งแต่ต้นนี่แล้วมานหลงก็รู้เนี่ยไปแล้วไปทางหนึ่งไปจากการเจ็เจ็ตายถ้าสุขรู้ถ้ามันทุกรู้รู้แล้วไปแล้วไปแล้วไปเหนือไปเหนือไปเหนือไปสูงขึ้นไป เด็กๆนั่นน้อย ไ, ไปก็สูงขึ้นก็เรียกว่าขี่ช่างถ้ามันต่ำกว่าช่างขี่เราจึงฝึกตนสอนตนมีอยู่ใดกลาง ใ, ใจนิ้วเราทั้งหมดต้าจะเรียนรู้ลายเกี่ยวกับ ชีวิตของเ ร, เราก็มาเรียนตรงนี้กันเป็นโสดไร่ใช่เรียนนอกย่อกายจากใจต่กายใจเราเป็นสูดรสดที่แก่เจ็บตายออกายใจนี่เป็นูตดไม่แก่ไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายสูดทุกโสดมันทุกโสดหลงสดม่หลงมันมีสูดหยาจนตรงนี้เวลามันหลง ในความรู้ตรงนั้นเวลามันทุกในความรู้ตรงนั้นนี่เราก็ขับเรืออ่าขับเรือประจนขึ้นจนชํานาญบางคนขับเรือบาคนขับรถก็ชํานาญบางทีคนขับเรือเนี่ยยังไม่ได้ขับก็รู้ลงหน้าเช่น ไปเกาะ ต, ตะลุเตาไปต่อเรือเพื่อจะไป ต, ตะลุเตาเอ้าโจมบาไปเพกกราะเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตาเป็นเกาะที่เอานักการเมืงไปขังไว้ที่นั่นจำไม่ก่อนถ้าใครเป็นโท่การมาง ก, ก็ไม่ฆ่ากันเอาไปขังไว้ไป่อยเที่งเกาะ ต, ตะลุเตา รองจังหวัดสตูลติดกับประเทศมาเลเซียก็ไปดูไปดูล่องรอยของนักโทษการบางแต่ไว้ก่อนไปติดต่อเรือข้ามไปเขาบอกว่าเขาก็มองท่องฟ้าหลับตามองอยู่นิ่งๆเขาบ่ายังไปไม่ได้ บ้อเคลนกำลังกระทบฝังอย่างแรงเข้าม่ได้ถึงไปก็เข้าฝังไม่ได้ไม่ปลอดภัย่อเขาก็บอกว่าให้นั่งรอสักหน่อยเขาก็นั่งอยู่อ่านแล้วก็เรียบมาบอกเรียบๆรีบเรียบไปได้ไปได้รียบหน่อยรีบหน่อยเจ้ากว่านี้ไปได้แล้วลงเหลืออ่า <laughs> มันรู้อลไรตั้งแต่เราเดินจากชะลาเนาะไ่ไปชะลาหน้าก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าก็อไฟตอ น, นั้นงูจงวางเต่า น, นั้นเองแต่มันจะลื่นที่ไหนไม่รู้จากขอ น, นขับเรือเนี่ยไปทั้งหลายสิบก่มองหลายก่อหม่องเป็นหลายชัออ่วโมงแล้วมอง เรียบขึ้ื่อนเดือไปก็ไปใส่ใจครับไปเหลือก็ไม่ใช่ลำเล็กลำใจพอจะพอก็พอจะเข้าเคลื่อนเอาเช่นแล้วขึ้นซัดจริงๆนะต่ำต่ำเติมเติมหาวันเมฆไม่เป็นทะเลแล้วก่อนเขับรถก็เรียบ้ปไปพอจอดฝังปั๊บมาทันทีตึม เตมเติมเหือนเดิมเลยผมก็บอกว่าชากว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมแม่นจริงๆนะชาว่านี้เขาฟังไม่ได้นะนะแล้วก็ตามเวลานียเขาชํานานชีวิตเราควรจะชํานานใต้เขาเรือเหลือเขาก็ชํานานคนขับรถก็ชํานาญทางคนขับเครื่องบินเขาชำนานเท่นทางก่อนที่ มีกายมีใจก็ชำนาญอย่าหลงกรรมาฐานเนี่ยเหมือนกับเติอนในชีวิตของเราที่มีกายมีใจนะเห็นสภาพที่หลงเห็นสภาพที่รู้ชัดเจนผ่านความหลงลยความภาคโวงใหญ่ผ่านความทุกข์ความสุขด้วยการภาคโผงใหญ่เป็นการที่มีศิลปะของการใช้ชีวิตนะกรรมาฐานเนี่ย เวลไปประชุมก็ะสงสอยงานหลวงพ่อเทียนไม่ได้ยินอะไรนั่งเฉยๆเลวหูก็ไม่ชอบเสียงแบบนั้นโทษนเสียงเครื่องขย า, ายเครื่องเสียงขย า, ายก็กล้กองไปนำสาระล้วก็พยายามปิดไว้ก็ยังรบกวนอยู่มันไม่ชอบ จะห น, นีจากเพื่อนก็ไม่เหมาะน้องอยู่ก็มาถามเขาก็มองหน้าแล้วไม่รู้ชะคำถามเขาก็มาถามใกล้ๆเท่าที่จะทำไงต่อไปกับงานแล้วว่าเทียนเท่านี้เลอเท่านี้เลย ก็บอกว่าก็ตัดสินใจมาแล้วสี่สิบกว่าปีจะปฏิบัติธรรมจะสอนกรรมฐานไม่สอนอันอื่นจะสอนกรรมฐานเท่านั้นมันมันดีมันเข้าสู่ยปัจจนากรรมฐานเป็นการเปรียบเหมือนการแปรงฟันฟันก็สะอาดเรว่าวิปั จ, จนา คว่าานมันกัการขวดบ้านบ้านสะอาดเป็นผลของคำว่าฐานคือบ้านสะอาด จ, จากความหลงเป็นความไม่หลงมันสะอาด จ, จากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มันสะอาดมันสําเร็จได้กับมือของเราเพราะว่าอันนี้เป็นคนมันเป็นที่มีอยู่แน่นอนไม่ใช่เรางงชาวสาว นคนในโลกไม่มีสองประเภทคือคนที่รู้คนที่หลงเท่านี้เองไม่มากคนที่รู้คนที่หลงมาอยู่กับใครถ้าเรามาเห็นเกิดกับเราแล้วเราก็แก้ปัญหาได้เอ้นเขาหลงเขาด่าเราเนี่ยไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะเขาหลงเขาจึงด่าเราถ้าเขาไม่หลงเขาไม่ด่าเราเราจะแก้ของไงประเภทไปโทษตอบ ตอบตอนนั้นไม่ได้ว่าเขาหลงอยู่โกรธกันไรู้เรื่องดอคนหลงกูคนรูก็อ่อนไปก่อนไม่เป็นไรอะถ้าผิดท้อยกมาว่าก็ขอโทษขอโทษไปก่อนแล้วว่าอ่าเรียกว่าอ่ารู้เขาความหลงก็จะไปโกรธเขาไม่ถูกต้องให้โกรธความหลงหวงหลงนี่อยู่กับใครอยู่กับเหลาก็มีเหมือนกันเช็ดลาบ เห็นคนดา่าเราเห็นเขาดา่าเราในเขียนลาบเราจะไม่หลงแบบนี้นะก็เขียนลาบก็ได้ประโยชน์ถ้าเราไม่รู้ก็เป็นโทษนะจากการด่ากาชางเฉลิมเฉลิมทำให้หลงในความสสุกในความทุกข์ด้เนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรอดมันก็รอดทุกอย่างเพราะมันอยู่กันเดียวกัน ความหลองอยู่กับเราความหลงกับคนอื่นความโกรธอยู่กับเราความโกรธไปอยู่คนอื่นไม่ต่างกันเลยอันเดียวกันความทุกข์เกิดกับเราความทุกข์เกิดจากคนอื่นความรักอยู่กับเราความรักเกิดกับเหมือนกันหมดเรารู้แล้วเป็นเป็นมิเตอร์เป็นมิเตอร์วัดตลอดเวลา ที่ผิดที่ถูกได้เพราะเราเห็นมาแล้วนี่คือกรรมฐานทำไมจะไม่รู้สูตรอันเดียวกันแท้ๆไม่ต้องไปเอาอ้นเดินดองอาจจะไม่ต้องไปตบวดทหารก็ <c oughs> ราารนะ ไ, กกไก ด, ดไ้ถ้าเรามารู้เรื่องนี้นะไม่มีดอกคุกตลางไม่มีดอกที่จะทําให้คนประหารประหารเสียค่ากันจนเขาไล่ก็ไม่มีถ้าเรามารู้เรื่องในล้ว มันอยู่กับเราแท้ๆเจงเป็นเรื่องเดียวกันหน้ากระตื่อเร่ร่อนกันโดยสุดที่ใครที่ไหนก็ตามพระสงฆ์วัดต่างๆควรจะสอนกรรมฐานให้กรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยนะเราอยู่กันมาแน่อะไรที่หมันผิดก็มีอะไรที่ถูกก็มีอบอุ่นใจช่วยกัน คิดได้คิดว่าโอ้เนเนอวัดก็เป็นอย่างี้เนาะไอ้เพื่อนมาอยู่เีกหน่อยก็จะศึกอารายเพียร์ไปเอกหน่อยก็จะต้องไปคนละที่ลทางไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดไปนี่เราก็จะก็เคยเป็ดบานแล้วตั้งแต่เป็นพระหนุ่มปางกลางจำกระตังอายุแก่เท่าก็ผ่านมาเช่นนั้น ตานไปผ่านมาเช่นนั้นก็ต้องไปไม่ไปก็ไม่ได้พระเจ้าก็ยังสั่งเลยจังมาสาที่สิปัตนะมล่อายวันออกวันชาแล้วพระเจ้าสั่งเลยตานจาวิเคที่เป็นปะะหันทั้งหมดแล้วอยากการสั่งสอนอยู่ทุกวันไปมาสามเดือนคนดายะล่ว ก, ก่อน หลังที่เราช่วจทำมาจาักเมื่อวานนี้รับปาก็รลลูะะลทีหลังปฏิยะก็ลููตามมหานามะกะ็ลููตามไปอีกสชกคชเป็นคนลูกสุดท้ายบวชกันทั้งหมดแลวตามวาระของผู้บรรลุธรรมด้านจะเป็นพิกษุมาเถิด ตอนไม่ไหนเราก็กล่าวไว้แล้วท่านจงเป็นผู้พืชธรรมนั้นเถิดได้ตัดโอวาทเช่นนี้เรียว่าเอหิพิขุโอสัมปทานะบางคนมาบวชก็ตัดโอวาทต่างกันนิดหน่อย <c oughs> ท่านจงเป็นผู้มาเถิดท่านจงพิเป็นผู้พืชธรรมนั้นเถิดตอนไม่ไหนเรากล่าวไว้แล้ว อ๋อผิดแล้วเนาะต้านจงเป็นวิชุมาเถิดทำไม่ไหนเราตัดไปอยู่แล้วต้านจงเป็นผู้พุทธธรรมทำธรรมนั่นให้จนถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเถิดถ้าใครไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ต้านจงเป็นผู้พึทธธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้าผู้บรรลุธรรมเป็นบารแล้วท่านจงเป็นผู้พูทธธรรมนั่นเถิด มันสุดแล้วแห่งทุกไม่ต้องบอกมันจาโอเคแน่ในรับบอกว่าเช่นเดียวกันเจ้าไอเหสิปิโกจัมบัาพอออกพรรษาแล้วเราเจ้าก็สั่งเลยจาระทะพิกาเวจาริกังพระโอชานะาหิตายะพระโอชานะาจุขายะโลกาลุงกำปายะไปไปไปอย่าอยู่ พวกหล่เป็นผู้พลนจะบวงหางมารแล้วไปช่วยคนหมู่มากเพื่อเป็นความสุขของหาอยชนแม้เราก็จะไปเหมือนกันเราจะไปกุงเราจะคืนนะพวกเธอจะไปที่ไหนแต่อย่าไปทางเดียวกันทั้งหมดนะแยกกันไปจะละ า, จะ ล, ะาจลักะพิกเบจาลักษะจาลิกแปลว่าไป พิกาเวพิคสุต้องไปพระหูชนะจะรีกับพิกาเวเขาชะพระหูชนะอุตส่าบารีโคกโคกไม่เรียนนะว่าจะเรียนอยู่ว่าจะเอาประเด็นเข้านะออกมาเจอกรรมฐานเข้าเอากกรรมฐานดีกว่า เพราะว่ารอนวิชากรรมฐานน่าจะเรียนเอาปรวิญเก้าแจ้งกลับมหาไหลมหาไหลเจ้าคนไหลจบปรวิญเก้าเลยเปวดหลังๆลอ ง, งพ่อเน้นหน่อยลองพ่อปวดก่อนน่าจะได้จบก่อนมหาไหลปรวิญเก้าหลยถ้ารอนวิชากรรมฐานมหาไหล ร้อนในการเรียนจนว่ากันที่ปีสอง0ันร้อยสามเก็ดจึงไปเจอกันที่สารัฐจึงกรรมฐานมาไหลเจ้าคนไหลไปเถียงกันกับเลขานายแพทย์สมศักดิ์โดยการสามคนนายแพทย์สมศักดิ์เป็นเลขาของวัด าตอนอานก็เาไปชวนเจ้าคนอ า, อาจารย์ต้องปฏิบัติธรรมพวกเราอาจารย์ก็บอกว่าเออทำงานนี้เสร็จก่อนงานนี้ยังอยู่นังถสือนั่งอยู่ทำงานไม่อยู่งานเต็มโต๊ะเลยเอาเข้าคอมพิวเตอร์ว้ยังไม่ออกยังไม่พิสูน์ออก นี่อะไรอาจารย์จะปฏิบัติเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนทําอยู่แน่นอนก็เปิดจัดอีทิดขึ้นไป น, นั่นก็ไม่ค่อยมาปฏิบัติไม่แต่คพลังไม่แต่คนอื่นมาปฏิบัติเจ้าหน่อกองสา ก, ก็ไปขี้เขาอาจารย์นึกว่าถ้างานเสร็จเราจะมีอีกใหม่ล่ะมันต้องมีเรื่อยอาจารย์อยู่นี่แต่เก้าสี่พรรษาแล้วก็ไม่ห่ว่ไปเนี่ย อะไรมันเสร็จไหมเมื่มอไรจะเสร็จนะเพ็เพ็ดเพ็ดผมก็อยู่กับอาจารยนะ์อาทิตปีแล้วไม่เสร็จตั้งีตอีกสองสามวันอีกสองสามเดือนคงเสร็จอาจารย์คิดว่าสองสามเดือนนั้นเป็นของอาจารย์เลยอาจารย์เดียตายก่อนก็นได้นะ <laughs> เราออกันเลยอู้ใช่เลยใช่เลยสองสามเดือนเป็นของอาจารย์เหลืออาจารย์เนี่ยตายก่อนก็ได้นะไม่ถึงสองสามเดือนเอาองานมาต่อลองคิดของเราทิ้งเปล่าเลยปฏิบัติธรรมเลยนะจนลาจากพระศรีรันหลางกลับมาสู่วังไทยมาปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่สกโกโตเนี่ย ยำชาจนด้วยกันก็มีความรู้นะได้ <c oughs> ได้สัมผัสกรรมฐานเข้ากลับบ้านตั้งสานักยังไม่ถึงสิบปีเอิร์นขว่สุขโตสี่สิบวปีก็มีปัญญามีความสามารถพวกเราใ น, น้าน้อย หอยน้อยตามคาดเจ้าคนสร้างวัดสร้างสํานักจนมีชื่อเสียงจนเป็นสํานักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติไปเลยทีเดียวประจําจังหวัดมหาจรรคามุ่งนี้จะมีเลยใครจะรู้ว่าความตายไม่วันนี้พรุ่งนี้ไม่โล้หรอกรีบสักหน่อย ทอพายเข้าจาระชาพิเกเวจาริกังไปเอาหัวชนะเพื่อคนหมองเอาหัวชนะสุขายะเพื่อห่มจุกของเขาคิดเห็นคนที่หลงมองเห็นคนที่หลงน่าสงสารเราก็หลงเคยผิดพลาดความหลงถ้าเขารู้คงไม่หลงเจือดายตรงนีนถ้าใครจะช่วยเขาได้ถ้าไปบอกเขา พระชนทร์สุขหายะโลการุก ร, รมปายะเพื่อบอกเมื่อมันหลงไม่หลงก็ได้เมื่อมันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ให้เขาได้ยินได้ฟังให้เขาได้ทําลองดูจะมีความสุขพองเชสุขหายะมีความโชคแก่คนหัวา ม, มากไปทางละรูปนะเราก็จะไปยังกุงอุลุเวลาเช่น อาคงล้วจะคืบกลับไปอีกขาขาบวชก็ไปบวชที่นั่นขาตัดทะลุขาบวชไปแถวานาลันธาโอเข่าดงก็เฉลี่ย้อนลงมาย้อนลงม า, งมาได้เรา6ปีมาถึงพุทธคาจา นาฉันเขานักงจุยดานาลันท์อาลานนั่งุยดาทิศตอนออกของพุทธคยาเดินฝั่งมาแม่น้ำในรันชลามาได้สีมะพร้ามาปฏิบัติธรรมตรงนั้นคืนเดียววันรุ่รขึ้นหนึ่งเดือนมันที่เ็นเดือนหกถึงวันเพนเดือนเดิเนทางวันวันั น, นอะไร หายาจจนถึงไปถึงจากนี่ยก็ไปพาลานาสีตามประจับพีไปปานจับพีนีจ้จาดตั้งแต่ยบานนางสุชดาไปคนละทางเลยปัาานจ้พีก็ไปนวพาลานาสี น, นวดเจ้ามาตัดสลุอยู่คนเดียวตัดฉลุกเกดอาทิตย์ ทีอาทิตย์ะเจ็ด อ, อาทิตย์ลอฮะออจนถึงวันเท็่เดนแปดอาจจะเราล้วสอนปันธุกีอยู่นั่นพันศานี่กกลับทางเก่าอ ไ, ไปหาพระเจ้าพิมสารลกลับทางเก่าย้อนกลับไปทางน้อยฟมเดินมาสอนเดินกลับไปหาพระเจ้าพิมสาร สามร้อยกิโลเดียวกันไฟสอน